อายุน่า 31 อ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมอาหารก็ คิดเพื่ออีกเพื่อนอยู่นะครับคุณอยู่ในขณะนี้แต่คืออาชีพอาชีพที่มั่นคงบาง <información S 2> ให้ตรงกับสูตรเยอะบางคนอาจจะกระจายไปไม่เห็นน้องพี่จะทํา แต่ที่จะบอกพี่ชายเรื่องของตำแหน่งของคุณคุณจะสอบในตัวงานในที่ที่ๆนะครับกว่าจะได้ แน่นอนครับอยู่ที่ลําพอกเพราะลําพอกมีร้านขายอาหารครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่มีแล้วปี 2530 ครับผู้ช่วยผู้อํานวยการกระทรวง พอได้ก็ข้อสอบมาต้นแต่งสร้างครับผู้ช่วยผู้อำนวยก็เลยถึงวิศวกรครับเรียกว่าเป็นดึงข้อสอบออกมาครับคือจะเป็นหน่วยข้อสอบออกมาที่ก็ มีบางคนครับไม่มีตังค์ 200,000 แต่เพื่อนของเราได้เอาผลการสอบออกแต่เพื่อนของเราก็บอกว่าเพื่อนเราครับเสียเงิน 200,000 แล้ว เขาเลยขึ้นมาครับบวรนี่ไงแต่เราก็สอบมาครับก็ ผู้ชายคนนี้ก็กดดันไหลออกจากการคนทั่วประเทศท่านที่เฝ้าครับการสอบค้ามคนได้ยกเลิกสอบใหม่กลุ่มท่านที่นั่งในขณะนี้ จะสามารถเป็นข้อข้อออกมาให้ใช่มั้ยครับผมนี่ก็อยู่ที่อุดรนะครับไม่รู้ว่าใครท่านนะครับนี่เป็นความจริงครับไม่สามารถ แล้วมีกี่คอมโบในแผนวิ่งหาอะไรกระดาษที่คือ 2500 4000 ถ้าเกิดตรงไหนครับโดนมานั้นน่ะนั้นคือโดนมั่นใจ พอโดนไปตามกันอยู่ที่มูลนิธิท่านพุฒินี่ที่แล้วถูกยกเลิกหลักเต็งแล้วถูกยกเลิกการสอบไปนะครับนั้น ให้แก่คำตอบให้แก่หลานของ สส. อยู่ที่จังหวัดยังไงครับแล้วละ การตัดตีตรวจเมติลในครั้งนี้อาจารย์คิดว่า ข้อ 2 อุปมาทําไมเธอเจอแน่ๆนะครับผมเนี่ยเปิ้นดูมาดูในวงเล็บถ้าคุณอ่านข้อ 2 ทั้งร้อยบทหน้า 31 ว่าคิดว่าเธอผ่านเมื่อกี้นี้รู้สึกว่า กพ. ก็ออกเยอะนี่ใช่ เพราะฉะนั้นอะไรจะคู่กับอะไรแบบนี้ครับผมนะหรือ 3 หลัก นะครับอย่ามั่วนะครับตรงนี้ท่าน 2 ประเภทคืออุปมาเชิงภาษากับอุปมาเชิงที่อาจารย์ว่า พอไปได้แพ้นะคุณพี่ดีดีดีคือบาทผมให้นี่แหละครับเรียกอุปมาเจตรูปภาพนะครับอยู่ข้างล่างตรง หน้า 60 ข้อ 596 ข้อ 7 เขาก็เรียกว่าเป็นอุปมาเชิงรูปภาพแต่ใน เปิดสาเหตุวงกลมครับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ความรูปแบบมันนะครับ 32 2.2 ข้างล่างนี้ครับรูปแบบที่ เปิดหน้าที่ 35 ครับข้อที่ครครคร 2 ถึง 3 ครับคุณลักษณะ 3 รูปแบบนี้ครับท่านทฤษฎีมีอยู่ 3 รูปแบบเพราะฉะนั้นแต่ นี่คำเหมือนครับคำเหมือนได้แก่คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือ เพราะฉะนั้นคู่คําริ้มเนี่ยที่เขาต้องให้มานั้นคือมัน ไปดูอีกลักษณะเช่นอุปมาก็ให้คําทรงห้ามมาอุปมานเช่นขอร้องพูดกับสัตว์อันนี้ทรงห้ามผมขอร้องกับเพราะฉะนั้น เราจะต้องดูความสัมพันธ์ของคู่แรกก็ได้ซิก่อนว่ามันมีเช่นเดียว ก็เริ่มมานะครับ 1 ครับผมคร 2 <Jonas S 1> คือทิศทางของผู้คับที่ใช้ซึ่งมีหลายอย่างครับในการเช่นทิศทางของผู้คับส่วนทั้ง โลกร้ายคุณนมปองนี่ครับผมนะให้เป็นให้คือ ความสัมพันธ์ที่เขาให้หมายคู่แรกน่ะมันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดนะครับเช่นข้อ 1 หน้าที่ 39 อันนี้ 3 ศาลปกครองยุติธรรมเพราะฉะนั้นลักษณะของความ 200 เป็นยังไงครับผมศาลฮะเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศฮะ ที่เป็นสถาบันอัฒนพาคืออย่างไรเพื่อให้เกิดความสั่นหน้าสถาบัน พออื่นไม่มีอะไรครับผมมีอย่างเดียวผู้สรรพากรคืออะไร อาเซียนคืออะไรครับผมกินเจงโจมกันมั้ยครับผมเรือยนต์พาหนะต่อ พังงาเป็นอุปกรณ์ในในการประมงทรัพยากรนั่นก็คือควบคุมหักเสือครับผมพวกอุปกรณ์ครับของบ้านจังหวัดพังงาอ๋อคือ แต่อาจารย์จะเลยให้แล้วก็ว่าเหตุผลน่ะที่เพราะอะไร ของจริงๆเลยก็สอบครับผมถ้าใครตีแตกบางครั้งเนี่ยครับอุปมาไมน่ะไปดูหน้า so? 59 หรืออาจจะไปเจออุปมาครับเดี๋ยวอยู่ รวมใช้แผนภาพต่อไปนี้พิจารณาความสัมพันธ์ที่กําหนดให้ในแต่ละข้อไก่ไก่สัปปิมก เบรคออยล์ที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดคืออะไรก่อนครับผมเท่าไหร่ใหญ่กัน โนบขึ้นเป็นสัตว์ปีกนะเป็นหน่วยที่ว่าสัตว์ปีกตัวนี้ครับ ถ้านั้นเวลาไปเขียนปุ๊บมันเข้ากับ 85 เท่าไหร่ครับผมเออนี่นะครับเนี่ยแบบนี้วิธีการทําอันนี้คือหาไอ้เมเนอร์ที่มันรวมกัน เป็นเป็นแมลงเป็นมั้ยเป็นกบเป็นเพราะฉะนั้นได้ภาพไหนครับผมอ๋อครับนะครับคืนหา 3 นักการเมืองนักพูดนักร้องคลัสเตอร์อืมจะดูความ อยู่ที่นี่นะครับท่านใดอยากออกกันครับผมภาพรวมมันอะไรอย่างนั้นพูดนัก นักร้องเป็นนักดักนักร้องไม่ใช่นักพูดพระสงฆ์พระผมนักร้องเพราะฉะนั้นในข้อที่ 3 นี้จะ<ม> แต่เมื่อกี้ออกข้อสอบไปแล้วนะมีไปออกข้อสอบไปแต่ 2 4 5 6 7 8 เนี่ย nice. 1 มาเป็นภาพ 2 แบบนี้แล้วไปตรงคู่ 1 สมมุติ ไปดูคู่ที่ 1 ประกอบกับดูธีรกิจด้วยดูธีรกิจไอ้ไหนแล้วมันมีจุดที่นั้นให้ตั้งเกียร์ให้กับเส้นดูจุดนั้นแหลมมานะครับถึงแหลมแหลมจากไป โหลดไปโหลดให้ตัวไปอีกเคลื่อนดูให้เคลื่อนไปจะได้ดูด้วยว่าโหลดนี้โอเคอ่าเดี๋ยวอ่าอันเนี้ยเป็นครับได้วันนี้นี่นะดูนะครับดูสีเหลี่ยมด้านขนาดนะครับเดินทุกเดี๋ยวก่อนวัดว่าทุกสีเหลี่ยมได้ว่าทุกสี เอ่อคือหมายถึงว่าถ้าวาดรูปด้วยจะได้ ผมไม่ได้กินเลยนะก็คือลักษณะว่าจะว่าตรงกันข้ามเวลาพลิกกลับมามันจะได้ภาพนี้เพราะฉะนั้นภาพนี้พลิกกลับ อีกนะคลิกกลับปึ๊บดูดูเส้นโค้งดูเส้นโค้งสิเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะตรงกันข้ามกันอ่าคลิกเค้าเส้นโค้งมันต้องมามา <you> จะทําได้พับด้านเค้าเรียกว่าพับรูปกับพับบนพับล่างสังเกตนะครับแล้วตัดสีด้วยข้างล่างพับขึ้นนะครับมันจะตรงพับขึ้นจากเป็นรูปศรคราว เสาพับขึ้นต้องเป็นสามเหลี่ยมคึบๆครับตรงข้างๆหัวต้องชี้ลงครับตรงข้างครับหัวชี้ตรงข้างนะครับครับแล้วกระวัดตัว ลักษณะเธอต้องเขียนไปด้วยครับการทําข้อสอบประเภทนี้ครับเธอต้องครับกลับอยู่เท่ากับเท่า ฉะนั้นครับรูปนี้เหมือนกันครับมาดูรูปนี้วงกลมกันวงกลมทึบอยู่ข้างล่างไฟ 1 ครับแล้วก็วงกลมด้วยวงกลมลงมา พออยู่ข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่ข้างในผมข้อกกไก่กไก่นะครับอัน 7 ครับผมแต่ทํา 7 ได้ครับช่วยบอกอาจารย์ คริยอคริยอคริยอกับพี่สามัยบอกเห็นมั้ยครับการเป็นรูปนี้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คลี่คลี่ตัวมุมนี้ออกครับคลี่ออกคริยอคริยอการงอมครับการเปลี่ยนจาก นี่เหรอนี่เหรอเอาละได้ป่ะถ้าต้องเดินกระดาษบอกว่าเต็มมากเลยดีงมนะครับไปบอกมากมันจะได้งมพอนี้อาจารย์ ในการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปครับซึ่งจะเป็นประกอบไป อาจารย์จะขอคุยในเรื่องการออกเป็นสถิติปล่อยก็คือข้อที่ 15 16 17 18 19 และ 20, แล 20 นะครับผมการนับจํานวนตัวสัตว์หรือมวลสัตว์ ดอกเนี้ยมีออกให้ดอกเนี้ยบอกอ่อดอก 1 ข้อนึงครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น 117 นะครับไม่กับจาก 15 ถึง 20 เวลาอ่านให้ดูสารบัญว่าเป็นกี่เทรดให้น้องเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องเข้าใจครับแล้วถึงเวลาณเวลานี้ก็คือก็ไม่คือได้แนวคิดวิธี แต่จะรัฐศาสตร์แต่จะต้องไปทําความ 78 ครับการนับจํานวนตัว อาจารย์จะใช้ C มาส่วนครับส่วนทั้ง 2 ตัวเลยนะครับผมหน่วยท่านเข้าใจตรงนี้ มันเป็นยังแล้วก็เท่ากันเนาะพี่เยอะไม่รู้อีกข้อที่ 2 ขา x บวกขา y บวกครับจะได้กี่ค่าครับผมได้ 132 ค่าครับผมถ้าขากับขาเป็นขาไก่ขาควายผมเอา x แม้ y ครับผม ทางคือวิธีการเราอาจารย์บอกให้เราขอไข่ก่อนนะครับผมนะเวลา และตัวรวมเค้าสามารถมาอยู่ที่กอไก่และขอไข่รวมตัวรวมครับเค้าเขียนคําตอบที่ถูกไว้กอไก่ เกิดการสร้างเป็นเหมือนกับตามโจทย์เป็นมีอยู่กี่ตัวเป็น 9 ตัวนั่นเราก็แทนตัวนะ 1 ตัวนะครับ 9 ตัวใช่ใช่จะต้องมีกี่ตัว 9 ตัววัวต้อง 18 18 ไก่ 36 ป้ายต้องมี 36 รวมกันสิครับได้เท่ากับ 132 มั้ยไม่ต้องเป็นวัวปกตินะครับเดี๋ยวก็ 2 ขามันขาขาด 5 ขานะครับเพราะฉะนั้นเดือนเธอมันรวมกันเป็น 132 มั้ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ก็ผิด ต้องตัดขิงไปดูค่อยเลือกตัวใหม่พอเข้ามาพุ่นน่ะพอมี 11 ตัวไก่ 11 ก็ต้องต้อง 11 ตัวเหมือนกันก็ 11 11 ไว้ก่อนครับเพราะว่ามี 11 ตัวก็มี 22 กี่ 22 ไก่ 22 วัวล่ะครับ 4 4 ขาไปก็ 4 4 รวมกันสิครับ 44 414 44 ก็ต้องเป็น 132 นี่เป็นคําตอบที่ถูกต้องมั้ยครับนี่ผมบอกว่าบางครั้ง นี่เค้าเรียกว่าเป็นข้อสอบประนายไม่ชอบไม่ใช่ข้อสอบอัตนัยครับโอเคมั้ยไปดูเช่นเดียวกันครับ บวกกับขาหมูได้เท่าครับขาควายบวกกับขาหมูได้ 80 ใช่มั้ยตัวก็เขียนได้ครับควาย สมมุติว่าคือไปเดาข้อต่อไปถ้ามีหมูอยู่ 8 ตัวตัวนี้อ้าวคือก็ไปแผนเลยครับดูกันดูนะครับดูตัวนะต้องคิดแผนที่ตัวนะครับหมูอยู่ 8 จะไม่ได้ถ้าหมูมีอยู่ 8 ตัวควายจะ 16 ตัวเป็นลูกหมาหมู 8 ตัวจะมีอยู่กี่ขาครับ 32 16 ตัว 32 โอ้ขอให้คำตอบ why is the cow ตัวมี 6 14 นะ 6 14 ครับ เวลาอบรวมกันแล้วมันได้ 80 นะครับผมไม่ได้ได้เลยจะจบไปแสดงว่าที่เลือกมาตัวเป็นคําตอบที่ไปดูข้อข้อไข่ครับตัวนี้ถามว่ามีหมูอยู่กี่ตัวหมู 6 ตัวครับแสดงว่า 12 14 ใช่มั้ย 14 มากกว่า 6 8 ใช่มั้ย 14 หมู หมูหมกตัวมีกี่ตัว 24 24 ครับโอเคครับใครครับควาย 14 ตัว 56 ขารวม 56 บวก 24 ได้ 80 มั้ยได้ 80 แสดงอยู่ 6 ตัวเป็นคําตอบ ออกเรียนการนับหน่วยภาษาครับผมไปดูการนับอายุ 5 ปีท่าน 2 อีก 2 ปี อายุของพ่อจะเป็น 2 เท่าของลูกถ้าไม่เขียนปกติครับเขียนได้เขียนปกติเลยขออย่าถามว่าปัจจุบันพ่ออายุเท่าไหร่ถ้า 1 เป็นตอบข้อพ่อของผมถ้าปัจจุบันพ่ออายุ 10 ปี 10 ปีต้องเรามาดูที่ปีนะ ครับพ่อเป็นอายุ 10 ปีนะนักเรียนครับเลข 10 แผนที่พ่ออายุมากกว่าลูกอยู่ 5 ปีแสดงว่า 5 ดูที่ 2 อีก<หน> <ๆ. S> 2 ปีข้าง 2, 2 ปีข้างหน้า <12. S 1> 7 7 มัน 2 เก้ามั้ย 12 ไม่ได้ใจคุณมั้ยครับถ้าเรา 8 ปี ก็แสดงว่าลูกต้องอายุ 3 ปีงูมั้ยตัวเนี้ยไม่งงนะไปดู 2 ปี 3 คนถ้าท่านไปเห็นพี่น้อง 3 คนครับมันให้ท่านบอกได้ว่าคนโตคนกลางคนคนคนคน 3 คนนะครับโตกลางเล็กไอ้โตไอ้กลางแล้วได้ 26 ท่านเคยเห็นของไอ้ได้ 26 ปีเห็นมั้ยฮะถึง นี่มันเปลี่ยนแบบนี้แล้วครับคลิกก่อนออกการของพี่นวดเลยกาแฟมั้ยออกเดี๋ยวนี้เป็นครูสอนมั้ยเป็นครูอาจารย์ไปเลยมั้ยเป็นคณะ น่าน่าค่ะสมัยนั้นตั้งแต่มันก็มีคนติดสอนที่โรงเรียน ม. แฟนการเคสตั้งอยู่ห้อง อ.ส. มั้ย อ.ส. ก็อยู่ได้นะ 2 ปี <imana language> <c oughs> ตัว variable 3 ผมบอกว่าอายุของคนโตแก่กว่าคนกลางอยู่ 4 ปีถึงจะเขียนปกติครับผมปกติแบบเนี้ยเขียนมาเป็นมทภทุกเท่าเลยครับเขียนเป็นมทภลงมาปกตินอกนั้นครับอยากทราบว่าไอ้คนกลางเท่าไหร่คนกลางนะถ้าเดิมเราขอให้ครับไอ้คนกลาง 6 ปีอ่าคนกลาง 6 เป็นรู้จักไอ้ตัวกับเอกกลางแล้วเป็นแท้เลยครับไอกลาง 6 16 มั้ยใช่แสดงว่าที่เลือกมาผิดนะครับไป 12 ครับก็เขียนสาเหตุที่ไอ้กลางอายุ okay, คร 12 ปีเพราะอะไรครับผมต้องการให้ตัว 2 ปี 8 <อ>แสดงว่าเลขเท่าไหร่ 6 เดี๋ยว 26 มั้ยได้ครับ 8 ปีแล้วถ้าจะปล่อยมันมันหนีออกไปทําไมครับก็สหประเทศนี่มาแบบนี้บรรทัดนี้ถึง หน้าที่ 85 เรื่องดอกเบี้ยที่ออกข้อสอบกันครับเป็นข้อสอบอีก 1 เรข้อพอไปกินนี่ก็บอกจะปล่อยมันหนีทําไมดอกเบี้ยครับผมจะตื่นมาได้ทีนี้ทําไมเราไม่ได้คู่ครับแต่เราต้องรู้ดอกเบี้ยนะครับผมไม่ เพราะฉะนั้นจําไว้ครับดตปอ 01 ถ้าจําไม่ได้จริงไปหาโรงพยาบาลอยู่สิครับสักไว้ตรงนี้ เงินแหวนมันจะมันขอจะได้รับราชการให้นายสุรพรไป เพราะฉะนั้นเงินต้นกี่หมื่นครับผมเวลานี่ก็เป็นปีนะครับเพราะฉะนั้น 3 เดือนเป็น อ่าครับข้อ 1 ผ่านแล้วถ้าใครตามไม่ทันบอก 2 รูปแบบของการ 15,000 บาทเป็น 4 เดือนจงหาอัตราว่าเท่า เท่ากับตปอ 100 เราเบี้ยที่แล้วเคยครับผม 250 ท่านก็เติมลงไปแทนดอกเงินต้นอ่ายืมไปกี่ปี 4 เดือน 4 เดือนคือ 40 สด 12 อัตราเราก็รู้มั้ยอ๋ออ่านแน่รู้ 100 มันหารอยู่ย้ายขั้นก็เป็นตัวคูณ 12 มันหารอยู่ย้ายไปก็หาร 4 มันตั้งอยู่มันครับครับดตต่อ 100 จําไว้เลยแล้วไปแทนค่ามันเอาเพราะฉะนั้นครับผม เดี๋ยวเชิญข้อ 3 กันนายจรัญแต่ก่อนหนังสือจริงๆครับนี่เอาชื่อเรา ผมไม่ได้คิดแค่พ่อของจะนําไปนายจะนําแต่ผมไม่ใส่นําสมุดเพื่อใส่นําสมุด 6% นายกรัตจะต้องฝากเงินนํา ไม่รู้อัตราดอกเบี้ยอะไรครับผม 6.56% ไอ้ตัวพอไม่รู้ครับจน 100 มันหาอยู่ได้กว่านั้นก็เป็นตัวคูณ 30,000 ตั้งอยู่มันเป็นตัว ครับเรื่องต่อไปครับแต่อย่าให้คุยในเรื่องคณิตศาสตร์อย่างจะไปคุย 90 กับทฤษฎีพิถาโกรทแล้วการหาเส้นพยาแยมุมความน่าจะ เป็นอย่างงี้ผมมาหาคุณได้ท่านโอ้เดี๋ยวให้การดูหน่อยเลข 5 แล้วก็ 6 นั่น 5 แฟกทอเรียนอืมใช่ผมเลยได้ในข้อคิดมาเส้นเส้นนะ ขอคุยเป็นเพื่อน 3 เหลี่ยมมุมฉากใช่ด้านอยู่ 3 ด้านด้าน a ถึง b 3 เหลี่ยม p b c นะ a ถึง b นี้เรียกว่าด้านตรงข้าม c เล็กครับ 4 ครับ a ถึง c แล้วก็ b ถึง c เนี่ย 2 ด้านนี้มุม a ก็จะเป็น b ผม b เล็กความยาวคือ b เล็กความ cb หรือ bc นึงคือ a เล็กด้านตรงข้าม c ด้าน ab หลักวิธีการหาความยาวนะครับคือเค้าด้านจะ 2 จะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากบวกกันครับยก 2 ครับด้าน a ยาว 4 หน วย, 4 หน่วยนะครับด้านหน b ยาว 3 หน่วยถามคือด้าน c นี้ ก็เลือกตัวอย่างง่ายๆเลยครับคือ c ก็ c 2 2 บวก b 2 ครับ 3 2 ซึ่ง 4 2 ก็คือ 16 3 2 คือ 9 9 เพราะ 9 มีค่า 25 25 นี่คือ 2 เพราะฉะนั้น c 1 คือ c อันนี้คือ c 4 ใช่มั้ยครับ 4 2 4 4 เพราะฉะนั้น 4 เดี๋ยวก็คือมีค่าระดับรากที่ 2 ของ 25 ซึ่ง 5 ที่จริงมันคือค่าบวกและค่าลบแต่ว่าเราเอาเฉพาะบวก นะ, 5 นะถ้าทดสอบกันออกมานะครับถึงก็เอาทฤษฎีนี้ไปคิดต่อนั่นคือทฤษฎีพิทาโกรัสที่ใช้สําหรับการ ด้านและบางครั้งบางคนก็ออกไปประยุกต์ในการหาพื้นที่นะครับประยุกต์หาพื้นด้านอะไรครับเค้าเรียกว่าเนี่ยด้านตรงข้าม รู้การหาเส้นทแยงมุมครับพี่ได้บอกพระทแยงมุมให้นัก 3/2 เช่นตัวนี้อ่านได้ง่ายๆตัวรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมจริงๆนะครับมันก็คืออะไรครับ 6 3 6 3 ก็ 3 หารด้วย 2 ก็ 18 หาร 2 ก็ 9 เซนติเมตรรูป 10 เหลี่ยมนะ 10 เหลี่ยมมี 10 กับ 7 หาร 2 นะ 10 10 20 2 นั่นก็คือ 70 2 ได้ 35 เส้นทแยงมุมของรูปเหลี่ยมแต่เส้น การเหมือนกับเมื่อกี้นี่ครับผมดูดิเอากอไก่ไปดูที่หน้ามัน 2, 9, 9 3, 2 5 เหรียญก็ดู 5 5 ลบ 3 หาร 6 6 ลบโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอาโจทย์มาที่สุดเลยผ่านออกเป็นหมวด ป๊อปเปลี่ยมป๊อปป๊อปนั่นคือความน่าจะเป็นส่วนมากก็สอบที่ออกความน่าจะเป็นมันจะออกในให้ความน่าจะเป็นของรูปเหรียญความ ลูกเต๋าบ่คนรู้จักลูกเต๋าครับแต่ลูกไฮโร่รู้จักลูกเต๋าก็มีกี่ด้านครับผม 6 ด้านด้านที่ 1 เค้าเรียกว่าเหยียบเหยียบครับเหยียบ 2 ตรง 5 3 ตรง 4 เพราะฉะนั้นเวลาเค้าเหยาะไปลงเค้าจะ พอไปที่ไหนไปไพ่ครับ 52 ใบอย่าเป็นนักจุกนะครับไพ่สําหรับนึงมันจะมี 1 โพดําโพ 3 กลางมี 4 ชนิดมี 4 ชนิด 3 ใบแต่ลักษณะนี้มีประสานคลิกกี่ใบ ผมมีตัวอย่างให้แล้วกันนะครับผมสมมุติว่าเดิมมีไพ่อยู่ 1 สำรับ 1 สำรับโอกาสที่คือจะหยิบแมมแดงแมมแดง 2 อืมแมมแดงมีกี่ใบ 2 ก็มี เอาแบบนี้แหละเอานี้แหละไพ่นี่มีไพ่ 1 สําหรับครับมีโอกาสที่จะผมไม่เดียวทั้งหมดครับที่จะเอเอ 52 Links Risk> <S 2> <S 2> 52 1 ส่วน 52 นี่ก็เรียกว่าความ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 อีกใบครับผมไพ่ทั้งหมดมีอีกใบครับผม 52 มันก็คือ 2 ก็คือเศษ 1/2 เท่านี้โอเคมั้ยครับผมอ่ะอัน 2 เหรียญอันนี้โจทย์บอกว่าสอบเหรียญ 2 เหรียญเหรียญ 2 เหรียญครับมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ครับที่จะออกหัวทั้งหมด 2 2004 อ้าวเธอดูครับโยนเหรียญพร้อมกัน 2 เหรียญมันเกิดขึ้นอะไรได้บ้างครับเหตุการณ์ <24. S> 1 เกิดหัวและที่ 2 เกิดหัวหัวเหรียญที่เก <24. S 2> 1 เกิดหัวเหรียญที่เก 2 เกิดก้อย OK <c oughs> โอเคนะครับอันนี้ก็เรียกว่านี่คือการโยนเหรียญทั้ง 1 เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ผม 4 อันนี้แต่หัวทั้ง 2 ผม 1/4 นี่เรียกความน่าเป็น 1 โอกาสหัวกับก้อย 1/2 โอเคนะครับความน่าจะเป็น พร้อมกันมั้ยพร้อมกันนะสําหรับจะถามเรื่องไพ่นี่แหละให้ดู 2 ถึง 4 มีกี่ใบภาษาอังกฤษถามสีแดงถึงสีแดงให้ 1 สําหรับมีภาษาอังกฤษ 4 3 4 6 16 ใบ 16 เพราะนั้นมีความน่าจะเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับที่จะจิ๊บ ม่วงนี่ครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกคุยนี้ถึงครั้งนี้ไม่มาครับเดี๋ยวจะเรียกเบิกครับเบิกเบิก 15:00 น. ครับ 15 นาทีมาว่าภาษาไทยต่อครับต่อเท่าไหร่ว่ากันเนาะอย่าเวลา 17:00 น. ไป ผมเชื่อว่ากิจัศน์ 2:00 น. เตรียมก็พร้อมมานิดนึงผม 2:00 ของน้องตรงของ 6 เออนี่ครับที่ผมรู้นะค่าการประเมินเรื่องคือโต๊ะ อาการของประเทศไทยเหมือนกันในญี่ปุ่นเขาก็เห็นผมพูดยาวๆๆ อ่าก่อนนั้นแผงมากแหน่นะผมเลยเอาข้อระแผงเสียบดูหน่อยเว้ย อึ๊บแล้วนะครับอะ แฟกทอเรียลเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเครื่องหมายปกติครับความหมาย 2 ครับนั่นคือการเรียน ฉะนั้นข้อที่ 1 จะมีวิธีการเรียงตัวสอนคําว่าพิกโนคําว่าจะเปลี่ยนได้เท่าตัว e ไว้ก่อนนะตัว e ไว้ตัวที่ 6 ที่ไรก็ตามนะครับเอาสลับกันทั้งหมดจะได้กี่วิธีถ้า ในมีนดีการเรียนสอนในคําว่าเบอร์น่าเบอร์เนมาเรียนจะเปลี่ยนกันได้กี่ A มี 3 กี่ตัวครับ 3 ตัว นั่นคือ 6! หารด้วย 3! 2! โอเคในเรื่องแฟกทอเรียลมีแค่นี้ผ่านนะครับนี้คงไม่มีอะไรอีกไปดูการหาก่อนสําหรับ <6, 8. S 1> ท่านไปดูการหาพื้นที่ครับส่วนมากการหา 3 ประเภทนึงการหาพื้นที่ของวงกลม นี่คือวงกลมครับดูข้างในนะครับวงกลมของสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะนั่นตับสูตรการหาเส้นรอบวงกลมนะครับจะเท่า ส่วนมากก็จะกําหนดมา 7 14 ที่ 11 ทํานองนี้นะครับนะอันนี้คือการหาเส้นรอบรูป r 2 โอเคอันนี้ด้านกดด้านที่มีปัญหานะ 1 พื้น ด้านด้านคูณด้านจะได้พื้นที่แต่บางครั้งครับเค้าไม่ให้ความยาวของด้านมาแต่ให้ความ 2 เส้นทแยงมุมยก 2 เลยครับ เศษ 1/2 เส้นทแยงมุมจะประกอบนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะนี่คือสี่เหลี่ยมคืนภาพสี่เหลี่ยมคืนภาพเป็นยังไงครับผมโอเคว่างคูณยาวๆโอเคตัว หน้า 104 มั้ยครับผมก็จะเปิดหน้า 104 นะครับนี่คือคืออยากมุม 4 มุมสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่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 ข้อที่ 4 เพราะงแกนสมมาตรมีอยู่ 4 เส้น 2 เปลี่ยนท่านหน่อย 2 หน้า 504 นะครับจะ 4 มุมเช่นเดียวกันแหละ 2 แกนเท่านั้น ตัวเตยอรมมันจะได้รับการสนับสนุนครับมันมี 4 สี่เหลี่ยมของงานออกผสมของพี่หล่อเนี่ยครับได้ระดับกบแล้วการออกผสมนี่คือเค้าจะให้ ถ้าเปิดหน้าที่ 98 ขึ้นมาครับครับ 98 ผมให้ดูแค่แถวเดียวนะในประเภทนี้ก็ไม่เหลี่ยม 2 ประเภทขอ พื้นที่ของวงกลมกับพื้นที่ก่อน 4.3 แล้วครับส่วนที่เหลือเอาวงกลม 2 π เท่ากับ 22.7 ไออ่ายกกําลัง 2 ก็แทนค่ากับ 22/7 r กําลัง 7 1 หน่วยก็คือ 7 ยกกําลัง 7 ยกกําลัง 2 มันคืออะไรครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ 4 พื้นที่วงกลมเราจะได้ 154 ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นต่อไปให้ดูพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับด้านบนด้านเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านจะยาวเท่า เป็นวงกลมที่แนบสนิทภายในสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีครอบแณ่สึก 14 หน่วยดังนั้น ด้วย 154 เป็นคําตอบนั่นคืออาจารย์จะบอกว่าการหาพื้น 2, 2>, 15 <4. S 1> 2 อย่างพอได้โอเคผมผมกับซิเลี่ยมจะตรวจเส้นตรงและมุมมันพอพอออกไม่ ไม่แน่แล้วครับคือเนื่องจาก สพฐ. สามารถจะเปลี่ยนแบบพอพอ มองนั้นจะเป็นกระพอยตรงดูเส้นตรงและมุมมันได้ออกข้อสอบแต่อยากให้ท่านรู้ว่าเส้นตรงตามข้อสอบนั้นคือจะมีลูกศรครับผมเส้นตรงเส้นตรงจะมีลูกศรทั้ง 2, 2>, 2> ด้านนะครับเรียก นี่คือข้อสอบถ้าเส้นตรง 2 เส้นขนานกันเป็นไงครับเส้นตรง 2 เส้นขนานกันครับเนี่ย CD ขนานกันและไม่มีทาง จะบีบเร็วๆครับผมเตรียมพร้อมเส้นนึงครับมาตัดขีคืนทั้งมันตัดเส้นตรงทั้ง มุม 3 กับมุม 4 ก็เช่นเดียวกันครับก็มีค่าเท่ากับ 180 องศาก็เป็นบนบนเส้น 5 กับมุม 7 กับ 8 เช่นเดียวกันครับ 8 มุมมัน 4 มุมแรกที่ 1 ทั้งวงกลมนะกับมุม 4 มุม 4 เท่ากับมุม มุมที่ 5 และมุมที่ 8 ใช่มั้ยครับผมเท่ากันกันเลย 1458 เท่ากัน 14 เนี่ยมันเป็นมุมป้าน 58 เท่า 2 มุมที่ 3 2367 เท่ากันถึงเท่ากันครับ 1 กับ 6 รวมกันได้เท่าไหร่ 180 3 รวม 8 ได้ ครับ 180 โอเคทราบรู้แล้วครับนี่คือมุมมองมาดูก็สอบนะครับหน้า 120 ถึงเท่า x นะครับจะมีขนาดเท่าไหร่ x 180 ดังนั้นมุมแหลมมันได้ 175 มุม 105 ครับ 180 ครับผมนะแบบ A กับเส้นตรง B ขนาน x จะ ทีมงาน 4x บวกกับ 2x ต้องครับ 4x บวกกับ 2x ต้องได้ 180 นั่น x เดียว x เดียวเพิ่นก็ 180 6x 180 นั่น 180 หาร 6 ก็ 30 องศา อ่ามุม 180 ครับผม 4x 2x 6x เท่ากับ 180, วก 180 นะ 2x 4x ต้องเท่ากับเท่า 180 องศา 2x 4x ก็ 6x นะครับ 180 เพราะฉะนั้น x เดียว วัดได้ด้วย 66 ครับบริหารตอบ 30 องศาแล้วเองเห็นเนาะครับไม่ นับเดือนอุปมเรกถามตัวเองว่าพร้อมที่จะไปสรรห์หรือยังมีเทคนิคคือ 3 เทคนิคสรุปข้อมูลทั้งนั้นแล้วมีข้อนั้นนะครับเลยเปรียบเทียบได้หรือยังวิเคราะห์สรุปเหตุ รหัสที่ 15 16 17 18 เมื่อกี้ก็ออกเป็นเปเปอร์พอยแต่อาจารย์เยอะบอกให้เน้น 15 16 17 18 นี่ๆแล้วนอกนั้นมันก็ออกเป็นเปเปอร์ นะครับให้ดูตามนี้แล้วท่านเปิดหน้าอยู่ 40 ข้อครับเนื้อหา 10 กับ 11 และ 12 ท่านเขียนหัว 12 ให้หน่อย ข้อที่ 10 ใครได้ประโยคห้องเอาเต็มไปผม 11 การเรียนข้อความ 3 ประโยค 4 นะครับนั้นอยู่ที่ลำดับที่ 12 ก็คืออ่านประโยคหรือ 1 จุด 8 หัวข้อที่เก่านี้ออกเป็น แต่ภาษา 10 11 แล้ว 12 ครับท่านน้องลุงแสดงภาษาไทยก็หาว่า